อย่างที่ท่านขึ้นให้ดูนะเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบือนหนายเนี่ยเอาไปสวด ดูสิพุทธเจ้าใช้ตรงเนี้ยราคะเนี่ยท่านใช้ครอบคุมหมดราคะโทสะโมหะ 1 ท่านตัด อืมเนี่ยถ้าเธอละลาคะในรูปธาตุเวทนาธาตุนะที่สามารถ อธิบายตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าเป็นอย่างไรนะเรามาดูตั้งแต่อันแรกว่าผู้เข้า <c oughs> จิตที่เข้าไปหาอารมณ์จะไม่ใช่มั้ยมันจะหลุดพ้นได้ยัง แต่โยมยังเกาะอารมณ์อยู่เลยพระชาติบอกเป็นไปๆเลยง่ายๆใช่มั้ยอ่ะใช่มั้ยเข้าไปสร้างภพแล้วก็สร้าง โอ้โหพอเราดูอาการติดตงเลยพุทธเจ้าบอกเนี่ยแม่นตรงๆเป๊ะๆแล้วดูต่อไปนะภิกษุทั้งหลาย และมีนันทิคือความเพลินเนี่ยเป็นที่เข้าไปส่องเสพคือ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย เพราะฉะนั้นวิญญาณเข้าถืออะไรรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารสูตรเข้าใจเกือบพื้นพื้นง่ายๆเนี่ยแล้วจากจิตของ จะนั่งไป 10 20, 20 ปีจิตทํางานแค่นี้แล้วเป็นอะไรตถตาเช่นนั้นเองเป็นอวิตตตตาไม่ๆนะจากนั้นเนี่ยพุทธเจ้าคือตายการอุบัติ <c oughs> <c oughs> โดยเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารดังนี้นั้นนี่ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยจะปรากฏโดย จะต้องมีการปรากฏขึ้นแห่งนามรูปอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเสมอมีการปรากฏขึ้นแห่งนามรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง 2 ขันธ์นะคือ 4 อย่างนี้ดูต่อไปภิกษุ 5 เลยถ้า รูปธาตุในเวทนาธาตุเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในเพราะละลาคะได้อารมณ์ ก็อันนี้ใหม่ก็กระพริบตาเดียวดับนี่ไงดับอารมณ์ได้เร็วเท่ากับพริบตามันเลยหาที่ตั้งไม่ได้อ่ะใช่ มันไม่ไปเกาะหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งวิญญาณจะหลุดพ้นทัน <c oughs> นั่นคือไล่เข้าถึงวิมุตติญาณทัศนะเข้าถึงภาวะที่ไม่มีวิญญาณกับนามรูป ก็คือการเกิดจบแล้วเกิดสิ้นแล้วการที่จิตจะไปก่อการเกิดเนี่ยสิ้นแล้วการเกิดจบแล้วเพราะฉะนั้นวัตตะในจิตไม่มีใช่มั้ยคนคนนั้น กิจที่คนทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะนันทิจน พุทธวัจนะตรง 5 เล่มนี้เหมือนนะอ่าสอดคล้องกับอีกพุทธวัจนะหนึ่งมั้ยไปดูไม่ก่อพังทิ้งไม่ถือเอานะนะ เราบอกว่าพระเสขบุคคลเสขะตั้งแต่แล้วพอจบเมื่อยุบแล้ว มันก็จะเหมือนกับภสุทธิ์เมื่อสักครู่นี้นะเมื่อ ตัวตนยังไม่มีให้เรียกเลยเพราะไม่มีการเกิดปรากฏแต่นี่มี 2 ระบบนี้ ขึ้นให้ดูแล้วนะอุปาโทปัญญายติวะโยปัญญายติทิตัสสัญญะทังปัญญายติอันนี้เป็นนะอุปาโทนะวะโยนะทิตัสสนะตรงกันข้ามกันเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพระเสขะจะต้องยุบไม่ก่อนะลองดูตั้งแต่แรกอันนี้นะไปดูซิว่าบางทีเรากําลังทําการยุบอยู่กําลังทําการขว้างทิ้งอยู่มีคนมาห้ามเราว่าเธออย่ายุบ <c oughs> นะเป็นกิเลสเป็นตัณหาเราทําตามพุทธเจ้าดีกว่านะอย่าทําตามคํา ใช่มั้ยอืมมันจะทํายังไงอ่ะใช่มั้ยจึงไม่มีพระสูตรเกี่ยวกับวิภพวตัณหาเลยผู้ท่านพุทธทาสสงสัย ละหมดแต่อีกคนนึง 2 มาบอกคุณกําลัง 3 มาบอกคนที่ 2 ได้มั้ยว่าคุณ 4 ก็ 3 เนี่ยคุณกําลังมี 5 6 7 8 9 10 มาพูดได้ๆไม่จบเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นสาวอคชอปเอาวิภวตัณหาซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดมาพูดปั๊บ ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นฟังคําจากอาตมาก็ทุกหลักการนะเพราะฉะนั้นพระเสขะต้องทํายังไงต้องยุบต้องไม่ <c oughs> เธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งรูปเวทนาซึ่งวิญญาณอริยสาวกนั้นย่อมขว้างซึ่งอะไรซึ่งเวทรูปสังขารวิญญาณทั้งหมดเลยนะจนกระทั่งถึงทําให้มอดนะทําให้กระจายไม่ สร้างวิภพวตัณหาไม่ต้องไปกังวลวิภพวตัณหาเห็นมั้ยนะยืนยันโดยพุทธวจนะนะเบื่อหน่าย <c oughs> นะนี่คุณละสํานวนก็คือหลุดพ้นแล้วไม่เป็นไรนะเป็นแค่สํานวนนะเพราะฉะนั้นจนกระทั่งจิตหลุดพ้นเลยไม่ต้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่คืออาการของพระอหันต์ไม่ยุบไม่ก่อละแต่เป็นอันว่ายุบแล้วแต่ ไม่ก่ออยู่ไม่ยุบอยู่ซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วดำรง พูดอาการของพระอรหันต์ว่าไม่สนนี่ไม่ 1 ทางเหนือพระอะไรนานหรืออะไรก็ไม่ ใช่มั้ยอ่าลอยลมเลยนะแล้วสติจะฝึกเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่บอกไมไมไม 8 ไม่มีอะไรอะไรไม่ ปุถุชนะซึ่งมาติดตามต้นไม้ในวัดอะไรอย่าง